ในท้องจตนอำเภอนาจงของเราหลายวัดก็หลวงพ่อก็ได้กล่าวต้อนรับเรขาก่าวสมุทธนิยกถาได้กล่าวแสดงธรรมให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมพระลูกพะหลานได้ฟังเมื่อตอนบ่ายใช้เวลานา น, านพอสมควรแต่เย็นวันนี้หลวงพ่อก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่หลวงพ่อจะกล่าว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 ก็เป็นสมบัติของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือการบอกกล่าวให้พวกเราแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถึงหลวงพ่อจะบอกกล่าวก็เถอะแต่พวกเราก็ต้องใช้ดุลยพินิจใช้สติใช้ปัญญาใช้าการศึกษาของพวกเราท่านทั้งหลายนำมาฟังฟังแล้วก็นำมากันกรองไตรตรองเหตุและผล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 เพราะทาคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทานตรัสกับภาษาลิบุตรว่าดูก่อนสารีิบุตรที่เราตถาคตพูดให้ท่านฟังตรัสให้ท่านฟังบอกกล่าวให้ท่านฟังพวกท่านเชื่อไหมภาษาลิบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าข่าเพราะว่าข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติแต่เมื่อข่าพระองค์นาไปปฏิบัติแล้ว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 แต่หลักทำคาสอนพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องโซโฟเฟอร์รถมากกว่ารถให้ความสำคัญโ ซ, โซฟเฟอร์รถมากกว่ารถคงว่ามโนปุพังเขามาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะแปลให้เข้าใจง่า ย, ายๆก็บอกว่าในรถคันนี้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 เ อ, อขนาดหายใจไม่ถึงสิบลืมไม่ลู้กี่ครั้ง อ, อพวกเราจะไปหัวเราะแฮ่แห่ไม่ได้เด้นั่นแหะพร้อมที่จะเป็นบ้าได้แล้วมันขาดสติมากเข้านะครับเอเดี๋ยวกูกินข้าวเรียงสูงลูกหลานจะว่าอย่างนั้นได้ไหนทีนี้เฮ อ, อมันจะหลงลืมไปถึงขนาดนั้นแหะเพราะหแล้วเพราะมันมไม่มีสติมันขาดสติเพราะนั้นเราต้องฝึ ก, กไว้นะกณรศัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต้องฝึ ก, กไว้ถึงสติ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 การพิจารณาการกองไตรตองหาเหตุและผลอันนั้นยังมีอีกยาวนานเพราะวิปัชนานี้ยาวสมถฐานี่เพียงแต่ทาจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งเท่านั้นแหะขนาดจิตใจสงบนิ่งแล้วก็เอาเถอะได้รับความสงบแล้วก็เชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตรเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าว่าพวกเราทําจิตใจให้สงบยังไม่ได้ ยังสงสัยเเผลอๆยังปลามาทไม่เชื่ออีกต่างหากเพราะ็นไรเพราะอตาบอดนั่นไม่ยอมใครง่ายๆเหมือนกันนะตาบอดนั่นไม่ยอมใครง่ายๆนะอะแต่เขาบอกว่าอย่า ง, งานั้นอย่างนี้เห็นว่าเอ้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีนู่นแหละตาบอดไปเหยียบน้ำซะเองตาบอดจึงจะรู้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ตาพวกเราพรา่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าทำบาปเนอ้อ